Thank mm -hmm. you. คราหนึ่งเทวดาป่าลกขึ้นมาว่ามีโคก็เป็นสุขเพราะโคมี ล, ลูกก็เป็นสุขเพราะลูกกิเลสใดที่ทําให้มีความสุขมีความยินดีผู้ที่มีกิเลสก็ย่อมประสบกับความสุขความยินดีพระพุทธองค์ได้ฟังก็ตรัสออกามาอีกแง่นึงว่ามีโคก็ทุกข์เพราะโคมีบุตรก็ทุกข์เพราะบุตร ก, ก, กิเลส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 อยู่ที่ข้างหน้าหมดคือพาเขาฉันเลียงตามลำดับอาวุโสพระเล็กพระน้อยก็ไม่ค่อยมีของโปรดของดีตกมาถึงเท่าไหร่เขาคิดว่าเป็นเจ้าวาก็คงมีความสุขเมื่อท่านได้เป็นเจ้าวาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียท่านก็พว่ชีวิตก็สะดวกสบายขึ้นอย่างที่คาดเอาไว้ก็คือว่าเรื่องปัจจัยเรื่องอาวิธบานนี้ก็เรื่ไม่ขาด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 เป็นรูปวัด น, นี่ก็าสบายนะไม่ต้องมีภารัความรับิดชอบแบบนี้แล้วท่านก็รู้ว่าแลได้ข้อสรุปว่าเป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นเพียงแต่ว่าทุกคนละแบบเป็นรูปวัดก็ทุกแบบหนึง่งเป็นเจ้าวัดก็ทุกแบบหนึง่งแต่ว่าปกติเวลาเราเป็นลูกวัดก็ไม่เห็นว่าเป็นเจ้าว่ามีทุกตรงไหนเราไปเห็นแต่ด้านดีนะว่ามีอพิสเศ์มีเอกสิทธิ์ต่างๆอันนี้ก็ทํานองเดียวกับเวลาเรามองไป คนที่เขมีชื่อเสียงมีเงินมีทองร่ํารวยคนเด่นคนดังคนมีอํานาจก็คิดว่าเขามีความสุขและถ้าเกิดว่าพยายามไต่เต้านะเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นสถานภาพเหล่านั้นขึ้นมาก็อาจจะได้รับความสุขสมใจเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเวลาใครชมก็ปรับปลืม้มเวลาใครยกย่องว่าเราเก่งเราเป็นผู้นำํำก็มีความสุขตัวมันก็จะลอย อันนี้ก็เป็นความสุขหรือว่าเป็นด้านดีนะจากชื่อเสียงเกียรติยศสถานภาพแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็ตามมาด้วยภาระความรับผิดชอบเพื่อที่จะต้องทาตามหน้าที่นั้นเช่นในบางสังคมหรือในสังคมอรารยประเทศถ้ามีชื่อเสียงแล้วจะไปทำอะไรตามใจไม่ได้จะไปเที่ยวจะไปเมาัวลาน้าหรือว่าจะไปทอะไรไม่ถูก ต้องตามศีลธรรมประเพณีอย่างคนธรรมดาเขาทำกันเขาทาไม่ได้ถ้าถูกจับได้ก็เสียหายหรือว่าขณะเดียวกันก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเช่นเขาเกิดภูพีกระพายเกิดภัยอันตรายเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาคนเด็งคนดังก็ต้องมีหน้าที่ต้องไปช่วยเช่นบริจาคเงินตอนที่เกิดสึนามนะิก็มีคน คนเด่นคนดังคนที่มีชื่อเสียงมีสถานภาพในตามประเทศนี้บริจาคเงินมาช่วยสุนามิเยอะแยะแต่พอมีนักกีฬาเทนนิสของไทยคนหนึ่งมีเงินเป็นล้านจากการแข่งแต่ว่าบริจาคเงินแค่หมื่นเดียวก็เลยถูกคนต่อว่านังสุบพิมพ์วิจารณ์ว่าคุณนั่งรถกับรถเฟลลอรารี่ราคาเป็นล้านแต่คุณให้ด้วยอสุนามิแค่หมื่นเดียวก็ถูกด่าเขาก็สงสยัยว่าเขาทำผิดอะไรก็แค่ให้หมื่นเดียวอันนี้พอาะเาไม่รู้ว่า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 แต่เขาตามไล่มาติดๆนี่ก็ทุกข์แล้วเพราะว่ากลัวจะสูญเสียสถานภาพความเด่นความดังนั้นเจอใครที่เก่งกว่าก็ทุกข์หรือเจอใครที่เขาเก่งใกล้ๆเราก็ทุกข์เพราะว่ากลัวจะสูญเสียความเป็นเบอร์หนึ่งความเป็นผู้นําความเป็นคนเก่งถ้าหากว่าตําแหน่งนั้นเป็นตําแหน่งที่มีจํากัดเช่นเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นปหลัดก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่มองใครต่อใครว่าเป็นศัตรูเป็นคู่แข่ง นี่ขนาดยังไม่เสียไปเลยนะยิ่งพระสูงเสียไปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ความเป็นคนเก่งความเป็นคนดังนะมันก็พอไปยึดมันแล้วก็หลุดจากจุดนั้นไปมันไม่ใช่ว่าหลุดไปเปล่าๆมันก็จะคอยโบยตีคอยทําลายจิตใจมันโบยตีมอาจารย์พุทธเลือมันกัดเจ้าของมันกัดชื่อเสียงเกียรติยศสถานภาพความเป็นคนเก่งนี่เราหลุดไปจากมันแล้ว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 มันไม่ให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็จะลามไหมมาถึงมือถ้าไม่รู้จักปล่อยให้ทันเวลามันก็ไหมลวกมือสิ่งที่ลวกกามรวมไปถึงชื่อเสียงกติยศมันก็เป็นอย่างนี้คือมันให้ทั้งสุขและโทษให้ทั้งสุขและทุกข์ให้มีทั้งคุณและโทษเหมือนกับเปลวไฟมันก็ให้แสงสว่างแต่มันก็เจอไปด้วยควันละคายเพืองแล้วก็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 ชื่อเสียงกิจติยก็เช่นเดียวกันความเป็นคนเก่งความเป็นผู้นำพอไปยึดมันเป็นของเราแต่ที่จะคิดว่าเป็นของโชคลาภแทนที่จะคิดว่าเป็นหัวโขนของที่เป็นหัวโขนเนี่ยมันก็เป็นของโชคราวแต่ว่าพอไปยึดมันเป็นของเราจริงๆมันคือตัวเราจริงๆนี่โอ้โหคานี้เราเตรียมทุกข์ได้เพราะว่าเราจะกลายเป็นของมันทันทีมันจะเข้ามาบงการชีวิตเราทําให้เราต้องทุกข์ทำให้เราต้องร้อนเวลามีใครมา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 ไม่ยอมรับเลยนะว่าเป็นแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาช่วยไม่ยอมให้ใครมาแนะนำด้วยจะซึมนะไม่เป็นอันทำงานลูกน้องมาแนะนำมาช่วยแกก็ไม่ยอมไม่ยอมรับ ต, ตัวเองเป็นคนป่วยเพราะในความสึกของการเป็นคนป่วยก็คือการที่ถูกลดสถานนะจากเป็นผู้นำกลายเป็นผู้ที่ต้องคอยรับความช่วยเหลือจากคนอื่นทาใจไม่ได้ ความเป็นผู้นำที่มันคลองใจมันมันสั่งให้ใจปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือของใครรู้สึกว่าการที่ลูกน้องมันะการที่เปิดใจรับฟังคำแนะนำของลูกน้องนี่มันเป็นการเสียเกียรติยศหรือว่าเสียสถานะนันแกก็เก็บตัวไม่ยอมไม่ยอมพูดใม่ใครมาคุยเรื่องนี้ไม่พูดเลยแต่เวลาไปไปเจอผู้ป่วยด้วยกันแกจะกูรีกูจอเป็นผูน้นา ช่วยเขาแนะนําเขาอย่างโน้น<ม>อย่างนี้ไอ้ความเป็นผู้นํานี่มันซึ่งทางพุทธศาสนาด้วยมารนะ น, นี่มันมันก็คอยหาช่องแสดงแสดงตัวตนหรือประกาศตัวตนเวลาอยู่คนปกติก็ไม่ยอมเล่าตัวเองเป็นคนป่วยเพราะกลัวว่าตัวเองจะอยู่ในสภาพที่ต่ำกว่าเขาแต่เวลาอยู่คนป่วยด้วยกันมันก็มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถแสดงอีกโกแสดงอัตตามาอันนี้ก็เป็นเพราะ อ, อานาจของความยึดติดในความเป็นผูน้นํา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 ก็เลยไม่สนใจก็เลยใช้ชีวิตไปตามปกติแล้วก็พยายามที่จะลืมเรื่องนี้ด้วยการทํางานแกไปทําพวกที่ดินทําเรื่องที่ดินอยู่ด้วยทาไซ้ไลายก็ไปเอามัวแต่ไปทํางั้นนี่ยจนกระทั่งพอป่วยป่วยหนักก็ซึมอยู่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็ซึมเพื่อนมาพูยแพทย์มาคุยด้วยลูกน้องมาคุยก็มไม่สนใจมันมีมารณนะมีความแข็งขืนอยู่ซึ่งก็น่าสงสารเพราะว่าไอ้ตัวความเป็นผู้นําความเึดติด มันครอบใจเขาไวจนกระทั่งไม่ยอมที่จะเปิดใจรับความช่วยเหลือหรือว่าเปิดใจที่จะรับฟังคําแนะนําของคนอื่นพอมาแนะนําให้ฟังธรรมะหรือว่ารู้จักปล่อยวางก็ไม่ยอมมันขัดขืนมันแข็งขืนจนกระทั่งได้โรงพยาบาลคนหนึ่งซื้อเขามาใจาอีกโรงพยาบาลนึงเขาก็มาช่วยให้จิตใจมันคลายทํำยังไงก็มาเอาดอกไม้ทูบเทียนมา ให้เขาแล้วก็บอกว่าจะทําบุญทําสังฆทานก็ขอให้เขาเป็นประธานทําสังฆทานด้วยให้เป็นประธานยกให้เป็นผู้นาไปเลยครานี้แกก็เอาสิย่อยเป็นผูน้นาก็ได้ทําสังฆทานก่อนตายใจยก็เป็นปิติทีนี้เขาก็แนะนําว่าเออปล่อยวางนะให้อโหสิ ก, กรรมแบใครต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนในที่ทํางานที่จิตใจก็อ่อนลง พอเขายกให้เป็นผูน้นำแล้วอะไรอะไรก็ยอมได้ทั้งนั้นก็เลยตายอย่างสงบได้ยังดีที่ยังได้มีคนช่วยที่เขารู้จักจิตใจแต่ถ้าไม่มีใครที่มาช่วยในลักษณะ น, นั้นก็คงจะตายแบบเรียกว่าทุกข์นะเพราะว่าจิตใจมันปิดมันรับมันยังยึดในความเป็นผูน้นำอยู่มีหมอยคนหนึ่งแกก็เก่งเหมือนกันนะเป็นรองอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงจาไม่ได้ป่วยเวลาป่วยนี่ เข้โรงพยาบาลก็เหมือนกันคล้ายๆกันไม่ยอมรับว่าป่วยแต่ว่าในสุดก็ต้องเข้โรงพยาบาลตอนที่รู้ป่วยนี่ซึมไปเลยว่าเป็นมะเร็งก็ซึมไปเลยทําใจไม่ได้แล้วพอป่วยแล้วเนี้ยพยาบาลมามาให้น้ําเกลือพยาบาลมาใส่ท่อช่วยหายใจอะไรต่างๆแกก็จะคอยแนะนําคอยสั่งให้ทําอย่างโน้นทำอย่างนี้ยังยอมรับการเป็นคนป่วยไม่ได้ต้องสั่งโน่นสั่งนี่เพราะสั่งแล้วมันสบายใจว่าฉันได้เป็นผู้ น, นํา พยาบาลเขาก็ดีนะพยาบาลเขาก็ทำตามแล้วก็เอาคำแนะนำของเขาเนี่ยจดใส่เขเรียกว่าอะไรจดหมายน้อยโพสต์นะิดน่ะติดไว้ที่ปวดเตียงให้รู้ว่าผู้ป่วยเขาสั่งอะไรบ้างให้าทาตามนั้นแกก็สบายใจแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เรียกว่าไม่ได้เจอพยาบาลที่รู้จักจิตใจที่ยอมอนอนผ่อตามบางคนนี่มีทิฏฐิมา น, นะเป็นสามีทาความผิดพลาดไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองถึงเวลาป่วย แม้จะรู้สึกผิดภรรยาเก่าก็มาดูแลด้วยความาใจใส่แต่ว่าตัวเองก็ปากแข็งใจแข็งด้วยไม่ยอมเตี้ยเอ่ยปากขอโทษเพราะรู้สึกว่ามันเสียเกียรติฉันเป็นผู้นาฉันเป็นคนเก่งมันยึดติดอยู่งั้นแหละแล้วก็ทำให้เวลาตายก็ตายด้วยความทุกข์เพราะว่ามันมีสิ่งค้างคาใจอยู่แต่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมคลายในสิ่งนั้นมันก็เข้ามาทาร้ายจิตใจ คนเวลาตายถ้ามันมีความรู้สึกติดแล้วมันไม่ปล่อยไม่คายนี่มันทรมานมากรวมทั้งความวงกังวลด้วยแต่ที่ไม่อยอมปล่อยไม่อยอมคายเพราะความยึดติดถือมันว่าฉันเป็นผู้นาฉันเป็นสามีฉันเป็นผัวจะต้องไม่มีการขอโทษใครทั้งสิน้นมันมีทิฐิมาหนาอย่างนั้นอันนี้แหละคือทุกของคนที่ไปยึดติดในชื่อเสียงสถานภาพหรือว่าความเป็นผู้นาความเป็นคนเก่งมันกลายมาเป็นสิ่งที่เข้ามากําหนดบงการ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 ให้ตัวนี้เป็นตัวกิเลสเป็นตัวมานะซึ่งมันสามารถจะโบยตีหรือตัดเราได้มันให้ความสุขกับเราในยามที่เราสําเร็จแต่ว่าเราจะทุกข์แล้วก็ทุกข์มากเวลาพลัดพลาดจากสิ่งนั้นไปแต่ไม่ยอมรับความพัดพลาดเพราในชีวิตประจำวันของเราเราต้องเรีรู้ที่จะท้าทายไอ้ตัวความรู้สึกนี้อยู่เสมอเชน่นเวลาเจอใครวิจารณ์เจอใครแนะนําก็ต้องน้อมใจรับแม้ว่าตัวมานะมันจะ ผัดพื้นมันจะไม่ยอมแต่ถ้าเรามีสติเท่าทันรู้จักมองให้เห็นว่าเออที่เขาแนะนําก็ดีนะมันเป็นการช่วยลดอัดตราตัวตนมีคนนึงบอกว่าเนี่ยเจ้าของเมืองโบรานทึงเสียชีวิตไปแล้วบอกว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัประมงคลใจที่มันต้องต้อนรับคําตําหนิเพื่อที่มันจะได้ลดอัดตราตัวตนความเป็นผู้นําความเป็นคนเก่งพุ่นเล็กคนนี้แกเป็นคนเก่งด้วยฉลาดมีความสามารถแต่ว่าแกก็ขัดเกลา ตัวตนหรือว่าเล่นงานอัตตาก็โดวยวิธีนี้วิธีหนึ่งก็คือว่าเออใครวิจารมาถือว่าดีถ้าวันไหนไม่ถูกวิจารวันนั้นเป็นอัปมงคลและเจอความล้มเหลวก็ดีเหมือนกันมันจะได้ช่วยทําให้จิตใจมันอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างให้รู้ว่าเราก็เป็นมนุษย์คนนึงที่มีผิดมีพลาดได้ไม่ใช่ถือวดาวิธีนี้มันก็เป็นการเรียกว่าสังคลอนหรือว่าท้าทายไอ้ตัวมันนะหรือตัวยึดที่ยึดติดใน ควาเป็นคนเก่งคนสามารถมีเรื่องเล่านะของอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเป็นที่ยกย่องมากว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความสามารถในทางธรรมเขายกย่องเหมือนว่าเป็นอรหันต์เลยไม่ต่เทพเจ้าวันหนึ่งขณะที่พาลูกศิษย์เข้าไปในป่าปรากฏว่าไปเจอเสืออยู่ข้างหน้าลูกน้องก็วิ่งหนีก็เจองตัวอาจารย์ท่านนี้ก็วิ่งด้วยลูกน้องเห็นก็ เกิดความสงสัยแล้วก็รู้สึกว่าเสื่อมศรัทธาเล็กน้อยว่าทําไมอาจารย์ถึงหนีเสืออย่างนั้นทั้งนั้นที่อาจารย์นี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากก็เก็บอยู่ความรู้สึกนั้นอยู่ในใจจนถ้าเมื่อวันที่อาจารย์ใกล้จะตายก็เลยถามถามเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าทําไมอาจารย์ถึงหนีเสืออาจารย์กลัวเหรออาจารย์บอกไม่กลัวรู้สึกก็เลยถามว่าวิ่งทําไมอ่ะอาบอกว่า คิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะวิ่งหนีเสือเพื่อจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหนีความลำพองใจในวันหน้าคือไม่วิ่งหนีเสือก็ได้แต่ว่ามันจะเกิดความลำพองใจขึ้นมากิเลสมันจะฟูฟ่องขึ้นมาว่าฉันแน่และความรู้สึกว่าฉันแน่นี่มันน่ากลัวกว่าเสือสิเพราะว่ามันสามารถจะคลองใจไปได้นานแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความเหงื่อเกรมแม่อาจารย์ก็เลยบอกว่าหนีเสือดีกว่าเพื่อได้ไม่ไม่มาต้องลำพองใจว่าฉันเป็นคนเก่ง แน่ว่าตัวจะไม่กลัวอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราว่าพัดพายไอตัวมาหน้าตัวตัวตนมันจะจะอวดเก่งนะบางทีก็ต้องแก้งทําเป็นไม่เก่งเพื่อให้มันหายเหิมเกริมซะบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีการลดละตัวตนที่ทําให้อ่อนน้อมถ่อมตัวมากขึ้นดีว่าต้องดัดวิสัยมันอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามวางฟอร์มอยู่เสมอมันก็จะกลายเป็นการเติมเชื้อเติม เพิมพลังให้กับตัวกิเลส ต, ตัวนี้ซึ่งมันก็ยังมาครอบครองใจมากขึ้นทําอะไรก็เลยไม่คิดว่าตัวเองผิดพลาดเลยมีความผิดพลาดก็ไม่ยอมรับเพราะกลัวเสียฟอร์มนะเพราะว่ากิเลสมันมาหนา้มันไม่ยอมอยู่แล้วเพราะถือว่าความผิดพลาดคือสิ่งที่ไม่ดีแทนที่มองว่าเอ้ยความผิดพลาดนก็ดีนะมันช่วยทําให้เราเกิดปัญญางนั้นะนี่คือสิ่งที่เราไต้องรู้เท่าทัน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 โครนเด็กวัดก็ลงไปเข็นเรือแต่เข็นไม่ไปท่านก็ลงมาเข็นด้วยพอดีก็มีพวกเด็กพวกชาวบ้านชาวสวนแถวนั้นเห็นก็ส่งเสียงร้องกันเกลียวว่าสมเด็จเข็นเรือเวอยสมเด็จเข็นเรือเว้ยคือท่านเป็นพระที่มีคนรู้จักเยอะเพราะท่านมีเมตตามากคนก็พูดตะโกนกันสมเด็จเข็นเรือเว้ยท่านได้ยินท่านก็ตะโกนกลับไปทุกคนไ ป, ไปสบายๆว่าฉันขัวโตจ่า ฉัไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่ที่เรือน่นแล้วท่านชี้ไปที่พัดยศคือเข้าให้ท่านเป็นสมเด็จแต่ท่านไม่รับท่านก็ถือว่าท่านยังเป็นขัวโต้ไอ้สมเด็จน่นเป็นหัวโคหรือพัดยศเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านทไมรู้สึกอะไรที่จะไปเข็นเรือนะแล้วท่านก็บอกฉันเป็นขัวโตจะฉันไม่ใช่สมเด็จนะสมเด็จอยู่ที่พัยดย์ยศนี่เราเกี่ยวข้องกับชื่อเสีเยงเกียรติยศหรือว่าตําแหน่งฐานนะถ้าเราเกี่ยวข้องแบบนี้เขาไม่มีทุกนะแต่ถ้าเกี่ยวข้องไม่เป็น อาจจะมีความสุขชั่วคราวแต่ว่าก็ อ, อาจจะทุกข์ทวันก็ได้